จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่องสังาในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจัที่6เมษายนพุทธศักราช2558เป็นวันอยู่ราชการเนื่องจากเป็นวันจกกักรีเป็นวันที่เป็นวันกำไร ของผู้แสวงบุญทหลายเพราะจะได้มีเวลามาสร้างบุญสร้างกุศลกันเอกหนึ่งวันถ้าไม่มีวันหยุดก็จะต้องไปทำงานทําการก็จะไม่ได้มาสร้างบุญที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับจิตใจยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ เพรสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นเป็นของที่ต้องอยู่ในโลกนี้เวลาใจออกเดินทางจากโลกนี้ไปจะไม่สามารถนำเอาสิ่งต่างๆติดไปกับใจได้มีบุญมีกุศลนี้เท่านั้นที่ใจสามารถเอาติดไปได้บุญนี้ก็เป็นเหมือนกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนี่เอง ที่เราต้องใช้ในโลกนี้แต่เวลาเราไปในโลกหน้าเวลาที่เราเดินทางไปเราจะเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายอย่างสุขอย่างสบายหรือว่าอยากทุกข์อย่างทุกข์อย่างลำบากก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราได้ทำเอาไว้ถ้าเราได้ทำบุญไว้มาก เราก็จะมีบุญติดตัวไปมากบุญนี่ก็เป็นเหมือนกับเงินตราต่างประเทศเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราจะไม่เอาเงินบาทติดตัวไปเพราะเงินบาทนี้เราไม่สามารถไปใช้ตามสถานที่ต่างๆในเมืองนอกได้เราต้องเอาเงินดอลลาร์ไปเราก็ต้องแลกก่อนจะขึ้นเครื่องบิน เราก็ต้องเอาเงินบาทไปแลกเงินดอลลาร์เพื่อเวลาที่เราไปอยู่ต่างประเทศเราจะได้มีเงินไว้สําหรับจ่ายค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยจ่ายค่าเที่ยวท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนี่คือเรื่องของใจของเรานี้ใจของเรานี้ต่อไปจะต้องออกเดินทาง เราจะต้องเดินทางจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าเพราะว่าร่างกายนี้เดี๋ยวมันก็ต้องตายไปพอตายแล้วใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เวลาเดินทางไปก็ถ้ามีเงินติดตัวไปก็จะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเงินของใจก็คือบุญกุศลนี่เอง ที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้สร้างให้มากมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีไม่มีวันขาดทุนอย่าเสียดายเงินเสียดายทองที่เรามีอยู่ในวันนี้ถ้าเกิดพวกนี้เราตายไปเงินทองทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้เราเอาไปไม่ได้แนมะ้แต่บาทเดียวกลายเป็นเงินของคนอื่นไปหมด แต่ถ้าเอามาเปลี่ยนเป็นบุญเ อ, เอาเงินบาทมาเปลี่ยนเป็นดอลลาร์มาเปลี่ยนเป็นปอนด์เปลี่ยนเป็นยูโรเวลาไปก็สามารถเอาติดตัวไปได้เอาไปใช้จ่ายได้บุญจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับจิตใจของพวกเราที่ยังต้องเดินทางเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติกันอยู่ดังนั้นการทาบุญนี้ ก็เหมือนกับการมาเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเอาเงินบาทมาแลกเงินตราต่างประเทศกันถ้าเราทําบ่อยๆเราก็จะมีบุญมากและเวลาเราไปจากโลกนี้เราก็จะมีเงินทองติดตัวไปจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายไปพักตามโรงแรมห้าดาวได้ ไปกินอาหารตามร้านอาหารห้าดาวไปเที่ยวทัวร์ในระดับห้าดาวได้มีคนขับรถให้เราต้องการจะเช่ารถก็มีรถรถแบบยาวๆมีคนขับนั่งสบายอยากจะไปไหนก็ไปได้เพราะเรามีเงินจ่ายถ้าเราไม่มีเงินติดตัวไปเราก็ต้องไปแบบขอทานหรือถ้ามีเงินน้อย เวลาขึ้นเครื่องก็ต้องนั่งชั้นชั้นชั้นประหยัดอย่าไปนั่งชั้นหนึ่งไม่ได้เพราะเงินไม่พอนี่แหละคือเรื่องของบุญเป็นอย่างนี้ถ้ามีบุญเวลาตายไปท่านบอกว่าไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นเทพชั้นต่างๆชั้นหนึ่งดาวชั้นสองดาวชั้นสามดาวชั้นสี่ดาวชั้นห้าดาว ขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำไว้ว่าทำมากทำน้อยเหมือนกับเราไปพักโรงแรมโรงแรมหนึ่งดาวก็มีราคาอย่างหนึ่งสองดาวก็มีอีกอย่างหนึ่งเราเวลาไปพักเราก็ต้องดูเงินในกระเป๋าว่าเราพอจะมีใจให้กับโรงแรงมระดับไหนถ้ามีน้อยก็ต้องไปอยู่โรงแรมหนึ่งดาวก็ยังดีกว่าไม่มีเลย ไม่มีก็ต้องไปอยู่ตามข้างถนนไปเป็นขอทานขออาหารจากผู้อื่นถ้าเรามีเงินเราก็มีเงินจ่ายถ้าโรงแรมจ่ายค่าอาหารอย่างนั้นถ้าเราอยากจะไปแบบระดับ5ดาวเราก็ควรพยายามทาบุญกันให้มากๆอย่างวันนี้พวกเราไม่ต้องไปทำงานทําการกันเราก็เลย มาทำบุญกันบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำนี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกันไม่รู้ว่าจะจำได้หมดหรือเปล่าจะลองบอกให้ฟังบุญข้อที่หนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทานทเช่นมาานุษย ญ, ญาติโยมนำเอากลับข้าวกลับปลาอาหารของข่าวของหวานจตุ ป, ปัจจัยเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆ มาใส่บาทมาถวายเป็นสามทานอันนี้เรียกว่าทานบุญที่เกิดจากการให้ให้แล้วเราก็มีความสุขใจอิ่มใจแล้วเราก็จะมีบุญเอาไปใช้ในวันข้างหน้าเอาไปซื้ออาหารได้ไปซื้อที่อยู่อาศัยได้นี่คือเบินข้อที่หนึ่งข้อที่สองบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาต ก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลห้านี่เราต้องพยายามรักษาศีลห้ากันให้ได้ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เพราะถ้าเรารักษาศีลห้าไม่ได้เราจะต้องไปอบายแทนแทนที่จะไปสวรรค์เราจะต้องไปอยู่ตามป่าตามเขากับพวกสัตว์เดรัจฉานต่างๆหรือไม่เช่นนั้นก็ไปตกนรกไปติดคุกติดตาราง ดังนั้นบุญข้อนี้สาคัญคือบุญการไม่ทำบาปห้าประการบาปข้อที่หนก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบาปข้อที่สองก็คือการลักทรัพย์บาปข้อที่สามก็คือการประพฤติผิดประเวณีบาปข้อที่สี่ก็คือการพูดปลดมดเทศโกหกหลอกลวงและบาปข้อที่ห้าก็คือการเสพสุรายาเมา และอบายามกต่างๆเช่นการเล่นการตนนันันเที่ยว ก, กลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคร้านนี่คือบาป ท, ที่เราต้องระงับอย่าทำมันเพราะไม่เช่นนั้นมันจะเดิมเราลงไปสู่อบายเราจะไม่สามารถไปสวรรค์กันได้นี่คือบุญข้อที่สอง บุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปบุญข้อที่สก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ฉลาดขึ้นให้ดีขึ้นใจจะสูงขึ้นได้ฉลาดขึ้นได้ก็ต้องมีการบาเพ็ญจิตตภาวนาการภาวนานี้จะทาให้ใจสงบ แล้วจะทำให้ใจตัดความโลภความโกรธความหลงได้ความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นตัวที่จะดึงจิตใจให้ไปสู่ที่ต่าเวลาเกิดความโลภ ก, ก็อาจจะไปลักทรัพย์อาจจะไปประพฤติผิดประเวณีอาจจะไปโกหกหลอกลวงอาจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ถ้าไม่โลภเราก็ไม่ต้องไปทำบาป ก, กัน ถ้าโลกแล้วไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากได้ด้วยการไม่ทำบาปก็จะต้องไปทำบาปทำบาปแล้วก็จะต้องไปรับผลของบาปต่อไปดังนั้นเราต้องมาภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดเพราะถ้าใจสงบและใจฉลาดจะสามารถตัดความโลภความโกรธความหลงได้จะสามาร ถ, ถ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องกลับมาทำบุญ ล, ล่าบากนถ้าเราไม่กลับมาเกิดแล้วบุญกับบาปก็ไม่มีปัญหากับเราต่อไปดังนั้นการภาวนานี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดแต่จะภาวนาได้ก็ต้องมีศีลก่อน ก่อนที่จะมีศีลได้ก็ท่องทําทานให้ได้ก่อนถ้าทําทานได้ก็จะรักษาศีลห้าได้รักษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลแปได้เพราะถ้าจะภาวนาต้องรักษาศีลแปเพราะถ้าไม่รักษาศีลแปจะไม่มีกําลังพอที่จะภาวนาจะไม่มีเวลามาภาวนากันเพราะเราจะไปหาความสุขทางอื่นกัน ไปหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงจากการไปกินเลี้ยงไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวตา่ตางๆยามราตรีจะไม่มีเวลามาวัดมาทำใจให้สงบกันแต่ถ้ารักษาศีลแปได้ก็มาอยู่วัดได้มาอยู่วัดมาทำใจให้สงบได้มาไหว้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเดินจงกรม มาฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมก็จะเกิดความรู้ความฉลาดที่จะสามารถเอาไปใช้ในการฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจก็ไม่มีผู้ที่จะดึงใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือ บุญที่เกิดจากการภาวนาและบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายไปแล้วถ้ามีบุญก็ไปสวรรค์ถ้ามีบาปก็ไปอาบายถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทำบุญมากๆ ถ้าไม่อยากจะไปอาบายก็ต้องไม่ทำบาปแล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนานี่คือความเห็นที่ถูกต้องที่เราควรจะสร้างกันขึ้นมาวิธีจะสร้างความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยบุญข้อที่ห้า คือการฟังเทศฟังธรรมบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วจะได้5้าอนิสงห้าประการด้วยกันคือ 1. จะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้น 3. จะช่วยกําจัดความลังเลสงสัย ต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความรู้ความฉลา 5. จะทำให้จิตใจผองใสมีความสุขมีความสงบนี่คืออานิสงส์ที่ได้รับจากการทำบุญด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นบุญที่สำคัญ ที่สุดสำคัญมากกว่าการภาวนาเพราะก่อนที่เราจะภาวนาได้เราต้องรู้จักวิธีภาวนาก่อนถ้าเราไม่รู้จักวิธีภาวนาเราก็จะทำไม่ได้เหมือนกับการทำกับข้าวถ้าเราอยากจะทากับข้าวเองแต่เราไม่รู้จักวิธีทากับข้าวเราก็จะทาไม่ได้ทาแล้วก็จะไม่น่ากินเพราะว่าเราไม่ ได้ศึกษาวิธีทำกับข้าวที่ถูกต้องนั่นเองแต่ถ้ามีคนสอนวิธีทำกับข้าวให้กับเราพอเวลาเราอยากจะทำกับข้าวเราก็จะทำได้อย่างถูกต้องทำให้อาหารที่เราต้องการนี้มีรสอเ็ดอร่อยน่ารับประทานฉันใดก่อนที่เราจะภาวนาได้ก่อนที่เราจะรักษาศีลได้ก่อนที่เราจะ ทำทานได้เราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนเพราะการฟังธรรมจะสอนให้เรารู้จักวิธีทำทานรู้จักวิธีรักษาศีลรู้จักวิธีภาวนานั่นเองอย่างมนยีญาติโยมก็มาฟังเทศฟังธรรมกันมาได้ยินเรื่องของประโยชน์ของการทำบุญเพราะว่าทำบุญแล้วเราจะได้ร่ำรวยทางจิตใจ เป็นมหาเศรษฐีทางจิตใจตายไปรับรองได้ว่าไม่ต้องไปเป็นเปรตเปรตก็คือขอทานทางจิตวิญญาณนี่ผู้ที่ไปเป็นเปรตคือใครก็คือผู้ที่ไม่ทำทานไม่รักษาสีเนี่ยแต่ถ้าเราทำทานรักษาสีห้าได้อันนี้จะเป็นเหมือนกับซื้อประกันภัยรับรองได้ว่าถ้าทาทานได้ทาทานอยู่เสมอ นักษาศีลห้าอยู่เสมอจะไม่ต้องไปเป็นเปรตอย่างแน่นอนนี่คือประกันภัยของพระพุทธเจ้าซื้อประกันภัยจากพระพุทธเจ้ารับรองได้ไม่ผิดหวังพระพุทธเจ้าไม่โกหกไม่โก้บาะความจริงเป็นอย่างไรก็บอกไปอย่างนั้นอยงนั้นถ้าเรากลัวว่าเราตายไปจะไปเป็นเปรตก็พยายามทาบุญอยู่เรื่อย พยายามทำบุญทุกวันเหมือนกับการกินข้าววิธีทำบุญทำทานนี้ทำได้ทุกวันถึงแม้จะไม่มีพระมาบิณฑบาตเราก็เอาเงินที่จะใส่บาสนี้ใส่กรบปุกไว้ก่อนพอเวลาเรามีวันว่างเรามาวัดเราก็เอาเงินที่ใส่กระปุกนี้มาถวายวัดไป<ม>ก็เท่ากับเราได้ทำบุญทุกวัน ทำบุญทุกวันรักษาศีลห้าทุกวันแล้รับรองได้ว่าตายไปไม่ไปเกิดเป็นเปรตอย่างแน่นอนตายไปจะได้ไปเป็นเทวดานี่คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมบุญทั้งห้าข้อนี้คือบุญที่เกิดจากทำทานรักษาศีลภาวนามีความเห็นที่ถูกต้องและการฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นบุญหลัก เป็นบุญสำคัญที่เราพยายามควรจะทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำได้ทุกวันได้ยิ่งดนะีเพราะจะเกิดมหาประโยชน์มหาผลนะส่วนบุญอีกห้าข้อนี้เป็นบุญที่เรียกว่าบุญรองทำได้บ้านก็ได้ไม่ทำบ้านก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่กาลเทศะเช่นบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญนะ เช่นวันนี้เรามาทำบุญเรามีบุญเราจะแบ่งให้กับขอทานทางจิตวิญญาณก็ได้ขอทานก็คือผู้ที่ตายไปแล้วแต่ไม่มีบุญติดตัวไปก็จะมารอรับบุญของเราอันนี้เราก็แบ่งให้เขาไปได้เวลาพระสวดญาถาสัพพีเรากอ็อุทิศไปว่าไปภายในใจ จะมีน้ำก็ได้ไม่มีน้ำก็ได้น้ำนี้ไม่ได้เป็นตัวบุญตัวบุญก็คือความสุขใจที่เรามีอยู่ในขณะนี้ที่เราได้รับจากการทำบุญเราก็อุทิศความสุขใจนี้ไปให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วแล้วก็สามารถอุทิศได้โดยที่ไม่ต้องมีพระมาสวดยาวถาสัพพีก็ได้ สมมติเราใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็อุทิศไปเลยควรจะอุทิศทันทีหลังจากที่ทำบุญเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวบุญจะจางหายไปเดี๋ยวมีเรื่องราวอย่างอื่นเข้ามาในใจเราบุญที่เราทําไว้ก็จะถูกหลบไปไม่หายไปแต่มันถูกหลบไปเช่นพอเราทําบุญเรามีความสุขใจเดี๋ยวพอเราไปเจอคนนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ ทำอะไรให้เราไม่ถูกใจเราก็จะโกรธขึ้นมาความสุขใจที่ได้จากทําบุญก็จะถูกกลบไปด้วยความโกรธด้วยความไม่สบายใจตอนนั้นจะอุทิศบุญก็อุทิศไม่ออกเพราะฉะนั้นควรจะอุทิศ ต, ตอนที่เราทาเสร็จใหม่ๆตอนที่เรามีความสุขใจตอนที่บุญยังอยู่กับเราอย่าปล่อยให้บุญถูกอย่างอื่นมากลบไป เราจะอุทิศออกมาได้ยากนี่คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญบุญอีกข้อข้อที่7ก็คือบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทาบุญเราควรสแสดงความดีใจชื่นชมยินดีอย่าไปรู้สึกไม่สบายใจกับการทำบุญของผู้อื่นบางคนเสียดายเงินของผู้อื่น ก็ไปแทนที่จะอนุโมทนากลับไปเสียดายเงินของคนอื่นเพราะไม่เชื่อว่าทำบุญแล้วได้บุญนั่นเองเที่ว่าทำบุญแล้วเหมือนกับเอาน้าไปเททิ้งอย่างนั้นพอเขาไม่รู้พอเห็นใครทาบุญแทนที่จะชื่นชมยินดีดีอกดีใจกลับไปไม่ดีใจกลับไปทักเขาว่าอย่าไปทาดีกว่าทำแล้วเสียไปเสียเงินเสียทองไปเปล่า นี่เป็นเพราะว่าไม่รู้ว่าบุญนี้มีจริงบุญนี้มีคุณค่ามีประโยชน์ยิ่งกว่าวันทองที่เสียไปดังนั้นเวลาใครเขาทําบุญเราต้องแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาบุญไปกับเขาสาธุสาธุอนุโมทนายิ่งถ้าร่วมทําบุญได้ด้วยยิ่งดีเขาจะไปทอดท่าป่าก็ฝากเงินไปร่วมทอดด้วยเราก็จะได้สองต่อ ได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาและได้บุญที่เกิดจากการทาทานด้วยนี่คือบุญที่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญบุญข้อที่8ก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นบุญเหมือนกันบางคนไม่มีเงินมีทองแต่มีเวลาเช่นมีหญิงคนหนึ่งเขาไม่มีเงินทอง แต่เขามีเวลาทั้งวันเขาก็มาอยู่อาศัยที่วัดแล้วก็ช่วยกวาดวัดกวาดใบงองกวาดใบไม้ช่วยทำความสะอาดอะไรต่างๆช่วยเลี้ยงแมวช่วยเลี้ยงสุนัขอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันได้บุญได้ความสุขใจได้ทรัพย์ภายในไปเหมือนกันถ้าเราช่วยใครเวลาเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น มันจะมาหาเราทันทีเราทำอะไรกับใครเราก็จะได้อย่างนั้นกลับมาเราช่วยเขาเขาก็จะช่วยเราเราว่าเขาเขาก็จะว่าเราเราทุบตีเขาเขาก็จะทุบตีเรานี่เรื่องของกฎแห่งกรรมจะเชื่อไม่เชื่อลองไปด่าใครเขาดูดูว่าเขาจะชมเราหรือเปล่าเวลาเราไปด่าเขาด่าเขาปับ๊บเขาก็ด่ากลับมาทันที ตีเขาปักเขาก็ตีเรากลับมา ท, าทันทีไปช่วยเขาเดี๋ยวเขาก็มาช่วยเราดังนั้นถ้าเราอยากจะมีเพื่อนมีคนที่คอยดูแลเราช่วยเหลือเราเราต้องช่วยเหลือผู้คนที่ช่วยเหลือผู้นี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีมนุษย์และเทวดามาคอยอารักขาคอยช่วยเหลือคอยปกป้องดูแลรักษา นี่ก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้่บุญข้อที่9ก็คือบุญที่เกิดจากการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะจะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ไม่น่ารังเกียจไปอยู่กับใครที่ไหนก็จะมีแต่คนยินดีต้อนรับอยากจะให้อยู่ไปนา น, าน แต่คนที่ชอบอวดเก่งอวดดีอวดเบงถือเนื้อถือตัวจะไม่ใช่เป็นคนที่มีใครอยากจะอยู่ด้วยถ้าเราอยากจะมีความสุขมีบุญมีคนรักเราชอบเรายินดีที่จะคบค้าสมาคมกับเราเราต้องหัดทำตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนให้มีสัมมาคารวะรู้จัก ท, ที่สูงที่ต่า แล้เราจะเป็นคนที่มีความสุขมีบุญและบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทมเช่นการทาหนังสือธรรมะแจกนี่เรียกว่าเป็นการธรรมาทานการให้ธรรมะนี้เป็นกิจณะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ธรรมะมีคุณค่ากว่าเงินทอง เงินทองไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้แต่ธรรมะนี้สามารถดับความทุกข์ใจได้เงินทองไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีท mm ํ hmm. าทานอยากจะทําทานอยากจะได้บุญมากๆก็ทําทานด้วยการให้ธรรมะแก่ผู้ ไม่มีเงินก็ไม่ต้องพิมพ์หนังสือก็ได้ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วอันนี้ก็เป็นธรรมะสามารถเอาไปสอนผู้อื่นได้สอนเด็กที่ไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วให้เขารู้จักผิดถูกดีชั่วพอเขารู้แล้วเขาก็ทำตัวเขาเป็นคนดีไม่ทำตัวให้เขาเป็นคนไม่ดีแล้วเขาก็จะมีความสุข เราก็จะมีความสุขจากการที่เราได้ทำให้คนอื่นเขามีความสุขนี่คือบุญสิบประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พุทธศาสนิกชนมันทำกันอยู่เรื่อยๆเพราะจะมีแต่ผลดีจะพาให้เวลาตายไปนี้จะไม่ต้องไปเกิดนอบายจะไปเกิดในสวรรค์และจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปในที่สุด จึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันกำไรนี้วันกำไรคือวันที่ได้ทำบุญเพิ่มมากกว่าปกติขอให้ทำกันบ่อยๆทำกันให้มากๆทำกันให้ครบทั้ง10่ประการนี้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะมีแต่ความเจริญขึ้นไปตามลํำดับ